วัดของเราเป็นพระอารามทัดเทบต่างจํานวนพระภิกษุสมณีที่จำพรรษาเป็นพระอารามขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ในกรุงเทพสมัยก่อนก็จะมีถึงส0 0ร้อยสี่ร้อยรูปก็คือประมาณสา0ร้อยรูปขึ้นไป ขนาดกลางของเราก็หนึ่งร้อยรูปขึ้นไปถ้ารวมกับที่สังกัดวัดและไปอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนีวัดของเราก็มีจำนวนพระภิกษุสัมเนมเกือบร้อยห้าสิบรูปก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาด ซึ่งจำนวนพระภิกษุสามเณรที่อยู่กันมากอย่างนี้ไม่สามารถที่จะปกครองโดยตรงจากจเจ้าวาได้อย่างพูดถึงก็จึงมีผู้ช่วยจเจ้าวาดจำนวนมากและก็ยังมีเจ้าคณะ รับภาระในการดูแลพระภิกษุสมเณีศิวัดแม่ชีอย่างใกล้ชิดเราก็ดูแลกันเป็นทอดๆไปนอกจากนี้การบริหารของวัดประยุรวงศาวาสก็ยังยึดหลักการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นห้าหมวด เราเรียกว่าองค์การแต่และองค์การก็จะมีประธานและมีคณะกรรมการกำกับดูแลประสานกับเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดและเจ้าคณะคือเรื่องของการทำงานเป็นหลักในองค์การที่ว่านั้นก็คือองค์การปกครอง องค์การศึกษาซึ่งรวมทั้งสาสนศึกษาและศึกษาสุขเคราะ์องค์การเผยแพร่องค์การสาธารณประการองค์การสาธารณสุเคราะห์เราอยู่ร่วมกันก็คงรู้จักกันหมดแล้วว่าใครเป็นใครรับผิดชอบอะไรอย่างไรสิ่งที่จะขอเน้นย้ำก็คือ เนื่องจากว่ามีความหลากหลายในกิจกรรมที่เราทํามันก็จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันถ้าต่างคนต่างทําต่างคนต่างมีเป้าหมายจะไม่สัมพันธ์กันเลยอย่างงานขององค์การทั้งห้า ถ้าต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ประสานกันมันก็จะขัดกันได้หรือแบ่งหน้าที่กันไม่ชัดเจนเหมือนสมัยก่อนกรุงเทพมหานครเนี่ยไอ้ฝ่ายขุดนะขุดถนนก็ขุดไปหมายถึงฝ่ายที่จะวางท่อวางสายอะไรก็มีหน้าที่ขุดฝ่ายฝ่ายที่มีหน้าที่ตกแต่งถนนขนทางก็ทำไป แล้วก็ไม่ประสานสัมพันธ์วันดีคือดีคนก็เดินมาตบท่ออย่างนี้ไม่เคยมีแล้วละ่ะเขาเขาจะเขียนป้ายไว้ถนนนี้ห้ามคุกก็แสดงถึงว่าเริ่มประสานสัมพันธ์กันทนี้ในการประสานสัมพันธ์ในการทำงานนั้นเนื่องจากมีองค์การดังกล่าวมาพระภิกษุสัมมเนม รวถึงแม่ชีเนี่ยชุกรูปต้องสังกัดอย่างน้อยองค์การใดองค์การหนึ่งก็คือช่วยงานของวัดถ้าใครมาถามว่าท่านทํางานถามถามท่านว่าท่านเป็นกรรมการอยู่ในองค์การไหนอย่างไรเนี่ยเราก็องบอกได้ว่าเข้ามาในวัดเนี่ยมาทำอะไรเพราะว่าตอนนี้ การจะรับพระภิกษุสา ม, มเณรเข้ามาอยู่ทางวัดต้องกันกล่อง ม, มากขึ้นต้องพิถีพิถันเพราะว่าเป็นที่ที่คนก็พระเณรก็อยากจะเข้ามาอยู่ทำไมเราพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าความเป็นสัมปา ย, ยาดูได้จากอาคารสถานที่ก่อน สัมผัสแรกที่คนเข้ามาในวัดเนี่ยมาเห็นอาคารสถานที่ที่เป็นสัมปา ย, ยัดที่สวยสดงดงามสะอาดเป็นที่เป็นอารมาที่รื่ดรบใจใครก็อยากจะมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในฐานะเจ้าคณะก็ต้องกลั่นกรองให้ดีใครจะเข้ามาอยู่ และก็อาจจะต้องมีสัญญาต์มีข้อตกลงว่าเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องสังกัดองค์การใดองค์การหนึ่งในถ้าองค์การนั้นแม้แต่สัมมนเนรก็ต้องสังกัดก็คือองค์การศึกษาตั้งแต่สัมมนเนรขึ้นมาเลยยังต้อง ลงไปเรียนหนังสือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องศึกษาโลงเรียนส่วนท่านที่อาวุโสก็จะช่วยงานในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองช่วยเจ้าคณะไปจนถึงการศึกษาเป็นครูสอนเป็นเจน้าหน้าที่เป็นกรรมการ ในองค์การาต่างๆนั่นแหละไปทำงานที่หน้าวัดชาปนสถานหรือไปประจำอยู่ที่พระวิหารหรือที่ไหนก็ตามแม้ต่อไปนี้จํเริ่มเลอกมากขึ้นจะต้องการผู้ที่ไปประจำอยู่ณจุดต่างๆมากขึ้นแค่ท่านคิดง่าย ศาลาการบรเรียนเราบริรณเสร็จแล้วมันจะต้องมีการบริหารจัดการสถานที่ก็จะต้องมีคณะกรรมการกากับการดูแลการใช้สถานที่อาคารศาลาปฏิบัติธรรมศรีธรรมภกดีก็เสร็จแล้วรอแต่ฉลอง มีเรื่องตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยลงทุนในการก่อสร้างหลายสิบ ล, ล้านเราก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนของผู้บริจาคจะใช้ประโยชน์อะไรมีระบบของการบริหารจัดการดูแลสรุปก็คือสิ่งที่เดินหน้าต่อไปของวัดเราที่ ต่อเงื่องกันมาเนี่ยก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์การก่อสร้างอาคารสถานที่เนี่ยเห็นเป็นรูปประถำมันเห็นง่ายและเมื่อเศษออกมาเนี่ยด้วยงบประมาณมหาศาลนับร้อยล้านบาทแต่ละหลังรวมกันเนี่ย เงินจํานวนมากเหล่านี้ที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาได้มาจากสานัก ง, งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และจากส่วนราชการต่างๆถือว่าได้มาด้วยศรัทธาด้วยจิตที่เป็นกุศรของผู้บริจาคทั้งปวงเรารับมาเนี่ยเรา เป็นผู้รักษาดูแลพวกเราทั้งหมดไม่ใช่เจ้าของต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับตามกฎหมายนิติบุคคลน่ะวัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดเจ้าวัดก็ไม่ใช่เจ้าของวัดพวกท่านก็ไม่ใช่เจ้าของวัดแต่กฎหมาย ให้เจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้รักษาดูแลทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของวัดทำไมจึงไม่ใช่เจ้าของง่ายๆเจ้าของต้องซื้อต้องขายได้ที่ดินของวัดเราไม่สามารถไปซื้อไปขาย ของทุกอย่างทุกชิ้นที่เป็นของสงเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพียงแต่มาในรุ่นของเรา120ร้อยยี่สิบรูปเขาให้มาใช้ประโยชน์ใช้สอยเขาให้มาช่วยดูแลรักษาก็อย่าทําตัวเป็นคนมาพัก ช่วคราวเหมือนมาค้าโรงแรมไม่ช่วยทำความสะอาดไม่ช่วยดูแลวันหนึ่งก็จากไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตามกฎหมายหมายถึงเราเป็นผู้แทนของวัดช่วยการดูแลรักษาในรุ่นของพวกเรา ส่งต่อให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยสมัยนี้เนี่ยพระวนวักกาศต่อไปก็จะต้องขึ้นมารับช่วงต่อก็จะต้องส่งต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างพวกผมก็เลิ่มาเหมือนท่านหลัหลานนั่งแถวแถวไทยๆแล้วก็มานั่งแถวหน้าก็ใช่จะดีนะครับเพราะจากนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเนี่ย <c oughs> มันเลยไล่หายไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเยครับ ตอนแรกก็ดูหอไกลขยับไล่เรื่อยเลยนั่นแหละก็ทั้งหมดเนี่ยคือเราเป็นเจ้าของร่วมกันเหมือนเจ้าของบริษัทนิติบุคคลน่ะเป็นคำว่านิติบุคคลคือไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นคนที่กฎหมายเขาตั้งขึ้นมาให้มาดูแลมารักษาแล้วก็รวมกันเนี่ยเป็นสหกรณ์คือทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของร่วมกันความสำนึกในการที่จะดูแลรักษาแล้วส่งมอบให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนคือไม่ได้ใช้จนหมดสภาพโมทมพังอยู่ในรุ่นหลัง เรารักษาหัวแหันให้ญาติโยอุบาลสอุบาสออบาิกาได้เข้ามาใช้โทโลกแม้กระทั่งเด็กๆสมัยต่อไปอนาคตเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ได้ใช้กุฏิของท่านพระอุโบสถมีหานการเรียนอยู่ในสภาพที่ดีเขามองเขา เ, าเตาชาบรรสถานไม่ปล่อยให้พังให้ส่งเพราะมันเป็นประโยชน์ ของทุงฝ่ายที่จะได้มาใช้ประโยชน์เขามีสิทธิ์เพราะเขาบริจาคมันไม่ใช่แค่พวกเราแต่ละคนจากโดยตรงโดยออบผ่านผ่านสีไปที่รัฐบาลหรืออะไรต่างไม่ผิดกดเราต้องกระหนักตรงนี้มันก็คือ แปลมาจากคำว่าปรักปัตรถปนชีวีนั่นแหละจะไปบอกว่าเราไม่ได้ไปบินเท่าบาาขอภคยมันของทุก อ, อย่างมันมาจากการบริจาคเราอาศัยคนอื่นท้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักษาสมบัติส่วนรวมของพระศาสนาผมได้ยืนยันเรื่อง น, นี้ตรงนี้เมื่อกลุงแตก พวกพวกเราที่มารุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ทราบตอนปลุกแตกสองพันห้าร้อยห้าสิบั่นคือตัวอย่างของได้ลงมาจากพระเจดีย์อมากรวมแล้วชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเป็นพันชิ้นทีวีมาทำข่าวทุกช่อง นั่นสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งว่าวัดดังกลางกรุงกรุงแต่คนแห่กันมาที่วัดเราเต็มหมดเซียนพระ ก, ก็มาเศรษฐีก็มาคนมีสตังค์เนี่มาขอเช่านะขอซื้อนะ ในราคาที่แพงเพราะเราไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปทำพิธีเหมือนกับพุทธาพิเศษอะไรเพียงอยู่บนพระเจดีมาสักร้อยปีแล้วมันกรุงแตกเนี่ยเปข่าวใหญ่เรติง้งพุ่งกระชุนคนอยากเช่าซื้อราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยน แล้วก็จะมาบีบคั้นนะั้นจะแซกจาว่าหรือเจ้าหน้าที่ขอเช่าองค์นั้นองค์นี้ผมประกาศผ่านสื่อทีวีดังสือผิดว่านี่เป็นมรดกของชาติสมบัติาศาสนา ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณคนใดคนหนึ่งจะมาซื้อหรือฉกฉวยไปเป็นของส่วนตัวต้องเอาไว้ที่นี่ทำพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วโลกมกลากราบไหวบูชาเขาก็ถามว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนผมก็บอกว่า พริธ์พระยติธรรมศาสลาตรงข้ามกับสาหนึ่งตอนนั้นปิดมา 6-7 เจ็ดปีพังหมดน้ำรั่วพวกคุณช่วยกันประกาศให้คนมาซ่อมเสิซ่อมเสร็จจะเอาของทุกอย่างเนี่ยไปแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแหละคนก็ไม่บังกวนเรา แถมยังได้ศรัท ธ, ธาคนมาบริจาคช่วยซ่อมให้เราแป๊บเดียวเสร็จหมายก็เงินหอของก็ไม่ต้องเสียพระของเก่าอยู่ครบแถมยังได้เห็นศรัทธาคนมาช่วยบริจาครวมถึงซ่อมพระเจดีย์และจากศรัท ธ, ธาตรงนั้นเนี่ย ทำให้สำนักงานทรัพย์สิน ส, ส่วนพระมหากษัตริย์และอื่นมาช่วยนซ่อมจะต่อขึ้นมาเพราะท่าทีของวัดที่มองสิ่งทั้งหลายในวัดเป็นมรดกของชาติสมบัตราศาสนาผมอยากให้ทุกรูปทุกท่านตรนะบนัะคำพูดนี้มันไม่ใช่ของของเราที่จะมาพันเพราะว่า เราหรือไฟไหมเพราะเราเวลเขาข่าวกุฏิถูกไฟไหมไม้สักทั้งหลังเนะี่ยผมเสียดายแทนมันเป็นมันไม่ใช่ของฝากในวัดในเขตภาคผมมีกุฏิไม้สักอะไรดีเนี่ยมัถูกไฟไหมผมเสียใจทีทีแล้วทุกครั้งที่ผมประชุมเนี่ยผมก็จะในฐานะเจ้าคณะภาคเนีผมก็จะบอกว่กม า, มาบริหารความเสียงให้ดีนะ สายไฟหลอดไฟอะไรอย่าให้มันเกิดเหตุผมก็ขอพูดอย่างเดียวอย่างเดียวกันกับท่านทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรามีสมบัติล้ำค่ามากมายก็ดูแลให้ดีแม้แต่ภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยที่กำลังทำนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่าย เมื่อเราจะเปิดใช้วิหารหงพ่อพุทธนาถประธานองค์การทัร้งอการก็บอกว่ายัางทำไม่ได้เพราะว่าบางประตูที่บูรณะใหม่เยถ้าเราไม่มีอะไรคล้ายๆกับที่กันน่ะกันการเปื้อนอะไรต่อไม่อะไรพังเนี่ยเหมือนพลาสติกแข็งๆมาปิดมันจะอยู่ได้เม่นาน นี่คือความรู้สึจที่ที่เราผมเห็นผมอยากให้ท่านคิดเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งต้นไม้น้ำเน่าอะไรต่ออะไรต่างๆช่วยกันดูเราอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพระอารามนี่คือสิ่งที่เป็นการพัฒนาพระอารามอย่างยั่งยืนด้วยสํเน็จว่าเราทุกรูปเป็น ผู้รักษาดูแลใช้ประโยชน์ตามกฎหมายตามกฎหมายคือนิติบุคคลไม่ใช่ส่วนบุคคลตามพระธรรมวินัยในฐานะคณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นปัจเกยกับบุคคลไม่ใช่ของรูปใดรูปหนึ่งมันเป็นของคณะสงฆ์ซึ่งรวมทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหมดเราเป็นเจ้าของร่วมกัน ความเสริมความเจริญของวัดก็เป็นเหตุเดียวกันคนศรัทธาเพราะเห็นพวกเราเพื่อเรียบร้อยดีหนักเขาก็มาทำบุญทำบุญแล้วมันก็เป็นของสงฆ์มันก็ตกถึงพวกเราทุกรูปทุกคนการรักษาภาพลักณการช่วยกันดูแลปกครองให้ดีในองค์การปกครอง มันก็จะสัมพันธ์กับการเผยแพร่กับการศึกษารต่อไปแพราะมันก็จะทำให้คนมาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราให้ความสำคัญทุกเรื่องวันพระ เ, เ, เนี่ยถ้าสังเกตถ้าแปดสิบห้าค่ำเน่ผมจะไม่ขาดถ้าไม่ไปต่างประเทศมีกิจ น, นิมนต์ข้างนอกผมก็จะบอกไม่รับ ไปข้านอกได้เยอะก็จริงไม่ไป15คำเพราะว่าคนเนี่ยเขาเรียกว่ามาฝังเต็มหมดเลนมีถ่ายทอดสดแฟนคลับก็จะฟังพร้อมๆกันเป็นพันๆนะครับไอทีกรุงเทพแต่ละครั้งเนี่ยต้องอนุโมทนาฝ่ายฝ่ายไอทีนะ ทุกกลุที่ช่วยกันรักษาสถานะของวัดเผยแผนวัดประยูรเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเผยแผ่แบบสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราเผยแผ่โดยยุคออนไลน์ยุคข้อมูลข่าวสารไอทีด้วย อยู่ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยลบกศิษ์วัตประยุนอยู่ทั่วโลกก็บอกฟันจะวอาวาเทศอยู่อเมริกาก็ฟันหลายแห่งอยู่ต่างประเทศบอกทำไมไม่แปลภาษาติดตัววิ่งหรือภาษาจีนโแค่ภาษาไทยก็จะแย่แล้วเสียงสะท้อนที่ออกมาเนี่ยมันบอกยุคสมัย สมัยก่อนไม่มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเทศต็ตังเทศในความรับผิดชอบคนเป็นพันๆรอฟังมันต้องเตรีย ม, มต้องมีความพร้อมและถ้าหายไปสักสองสามวันพระนะฮะคนก็จะหายไปไรื่อไม่มาความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ต่อวัดต่อหน้าที่ เราก็ต้องแต่ละรูปแต่ก็ตำงทำําผมจึงขอให้ในวันแปกค่ำก็ให้ความสาคัญเช่นเดียวกันอย่านึกว่าคนน้อยถ้าท่านเตรียมดีแล้วให้ฝ่ายถ่ายทอดใ น, นเดืยนนี้กระจายออกไปมันก็จะเท่ากับว่าเราทำหน้าที่วัดของนักเผยแผ่ตลอดเวลาไม่เสียเงินเิน นะครับเป็นแต่เพียงท่านจะต้องตั้งใจให้คนคนจะมามากมาน้อยไปสำคัญลงนึกถึงการถ่ายทอดและให้เก็บอยู่ในเว็บไซต์ของเราเข้ามาชมได้ตลอดเวลาเท่ากับวัดทาหน้าที่เผยแพร่ตลอดเวลาแล้วคนก็จะมาขยายไปต่ออีกนี่คือตัวอย่างของ แต่เราฝ่ายทำหน้านที่ประสานกันและเราก็ต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งมันรวมไปถึงอาคารที่เราบูรณะเสร็จสารกา ร, รเรียนท่านจะใช้ทำอะไรปฏิบัติธรรมถือศีลบวชศีลเจริญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นการอบรมนั่งเมาอีโน่น อาทานใหม่เิริธรรมภักดีสิริภักดีทัรงหทุคนทีนี้ ดันั้นท่านจะเทศไปเทศจะอะจะเขียนหนังสือหรือไม่ตอนนี้ไปทำอะไรสำคัญว่าต้องเรียนหนังสือไว้ก่อนต้องเรียนไว้ก่อนขึ้นเรียนท่านจะเทศจะสอนโดนไม่ไม่เรียนนักธรรมไม่เรียนบาลีมันตันนะพูดทุกวันตลอดเวลาทุกบุญเนี่ยเป็นปีๆเลย มันจะซ้ากันถ้าท่านไม่มีการศึกษาไงสุดมันก็จะต่างแต่การศึกษามันช่วยโดยเฉพาะท่านต้องเรียนนันทธรรมเรียนบาลีถึงจะเรียนมาหาวิทยาลัยสมัหก่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแต่หลักนมันต้องอยู่ที่บาลีนันทธรรมเพราะเอามาเป็นหลักในการเทศนาสังสอน วัดเราจะเป็นวัดเผยแพร่ก็จะต้องมีความมีฐานรากในการศึกษาเป้าหมายวัดเราไปในทิศทางเดียวกันคือเผยแพร่ น, นั่นเองไม่ว่าท่านจะปกครองศึกษาเผยแพร่แล้วดูประการมาดาสุขเพราะมันไปทางเดียวกันหมดเลยที่สมัยรัชการที่ห้าเขาบอกว่า อยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยู์อยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปรากให้อยู่วัดสังขยาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมบพิตรวัดอื่นๆยังอาจจะเปลี่ยนแนวไปหมดแต่เป็นร้อยปีวัดประยูนยังเป็นวัดนักเผยแผ่นักเทศแล้วก็เป็นหลักให้การอบรมนักเทศทั่วประเทศเนี่ยต้องมาพึ่งวิทยากร พระเทรานุเทระของเราไปเป็นหลักสูตรก็ไปจากเราแถมเราเองอบรมนักเทศในภาษาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสามเดือนโดยโอกาสเผยแผ่เป็นแม่งานแล้วยังมีการสอนหลักสูตรประกาศเียบัตรวิชาการเทศนาซึ่งในประเทศเนี่ยมีแค่สองที่ที่ลบบุรีกับเชื้อปีของเรานี่เรียนตเนื่อทุกปี และคนก็ระเรียนหนึ่งปีสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือไปช่วยไปดูแลในการที่เป็นเจ้าภาพอบรมเขาในภาษาเนี่ยช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำที่ผมบอกว่าอย่างน้อยท่านต้องสงกัดงานที่ใดที่หนึ่งเขาไม่ตั้งจะไปเลยไปทำไมไปเรียนด้วยสิเข้าไปตรงนั้นนี่ยบอกทำไมมาเจ้าวั บอกแล้วออในวันเข้าพาษาเนี่ยอาราธนาแล้วใครห้ามไม่ให้เข้าควาฟมฟ้อมจะว่าไดออ้มันไม่มีเจ้าของสมารเหมือนกนะัไม่ตั้งเราเราก็จะไปนะพระใหม่ไปได้เลยพระเก่าได้ากนั้นไม่ใช่ไปแขวนกาแฟมงหมดนะเคยช่วยช่วยจับช่วยเป็นเจ้าหน้าที่เคยเห็นหรือเปล่าหรื่อนี้เขาเรียกจิตอาสานะ่ อ๋อเป็นนโยบายรัฐ ก, การปัจจุบันนะในวัดก็ต้องทำจิตอาสาไปที่เขาอบรงนักเทศไปช่วยอาสาช่วยทำแต่เรียนไปด้วยฟังเขาไปด้วยครูพักรักจําเขาแจกอะไรก็เอามาด้วยแล้วมันจะพัฒนาตัวท่านเองตลอดเวลาเราก็จะได้นักเผยแพ่นนักเทศรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทอดกัน นี่คือรักษาประเพณีของเผยแผ่วัตรีซึ่งลรมท่านเทพมหาชาติกับไปเรียนกับท่านเจ้าคุณระราไหร่จะรมวาตีเรืออื่นรวมถึงพิธีธรรมที่ท่านพระเถระทั้งหลายเข้าไปในวันไปในจังก็ต้องซื้ทอทอดรักษาไว้ ให้สื่อทอดด้วยการศึกษาการศึกษามมีสามอย่างในระบบเรียนบาลีตคางๆมีชั้นเรียนมีปีนอกระบบการเรียนเหมือนการศึกษาผู้ใหญ่ตามอาธยาศัยชอบอะไรไปเรียนตรงนั้นไปฝึกตรงนั้นอย่าเป็นเทพกุจฉาวิสชนาท่านจะุเทพปฏิพานกาวีท่านก็สอ เทศมหาชาติราช ธ, ธรรมวาทีก็ในเรื่องของเผยแผ่ปไปฝึกฝนอบรมตามอัธยาศัยของและเราจะค้นพบตัวเราเองไปเรียนสำนักนี้แล้วครูบ่นช้าผมเย็นไปเรื่องท่านก็ไปเอาดีสักอย่างย้ายมาใหม่ๆม่ันก็อย่างนี้เราเรายังไป็น้จะไปทางไหน ศึกษาท่านก็ต้องเรียนที่ผมว่าเผยแผ่สาธารณรกการงานเยอะ ม, มากตอนนี้ผมบอกนโยบายไว้เลยที่เราจะบูรณนะต่อจากนี้ไปเลื่อดูนนะคือทำถนนล้อมรอบโบสถ์กับวิหารที่เราเดินเดินเทียนเมื่็คือมันตกรูตกรองเนี่ยผมจะทำให้ ให้เดินได้อย่างดีแล้วก็รถวิ่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําทีละช่วงทีละตอนอาจจะต้องปิดสมมวดิเคยไปทางสารากา ร, รเรียนใช่ไหมไปไม่ได้นะเพราะเขซ่อมในช่วงนั้นรอบเนี่ยเราจะทําให้ครบเพื่อที่จะสังจอดลุนทั้งเดินเวียนเทียนส่วนสาลากา ร, รเรียนเนี่ย บุรณะเส็จโดยปัจจัยบริจัคของส่วนใหญ่มาจากคณะห้องกงของไม่ชีทองสุขเนี่ยไม่มีห้องน้ำก็ทำห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยไม่มีแอร์ติดแอร์ให้ไม่มีลิฟท์ทำลิฟ์ให้สวยงาม น, น่าใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเตรียมการว่า การรับสัมภ า, านหลังในวันพระเนี่ยหลังมาฟังเทศเลยก็ออจะต้องฟื้นขึ้นมาแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นด้วยอากาศที่น่าเริ่มใสจะมีวิธีทำยังไรที่จะรักษาสัทธา ย, ยาโยมเพราะเราอยู่ใกล้สะพันพุทธอ่ะ น, นมีแข่ไม่รับชนเยอะท่านจะทำยังไง อย่างนี้เป็นต้นนะผมถึงบอกว่าต้องเป็นรูปของคณะกรรมาการช่วยกันแต่เป็นนโยบายลเลยพร้อมเมื่อไรก็ว่ากันในพระอุโบสถย้อนมานนี่นะครับที่ปกติเล่นปว๋จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนะี่ยตามที่สํานักทรัพย์สินเขาตั้งงบประมาณไว้นะสิบกว่าล้าน พาด อ, อย่างเด่นก่นในส่วนที่เป็นสีทองที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ปิดทองเขาใช้สีเหลืองทางมันจืดผมตอนที่เริ่มทำเนี่ยผมจะไปดูงานจากวัดต่างๆในสมัยนการที่ซานผมไปเห็นที่วัดโพเขาปิดทองผมก็มาบอกแต่ว่าสํางนัก ทรัพย์สินเขาไม่ได้ตั้งห้ปิดทองให้เพราะเพราะฉะนั้นก็หาเจ้าภาพนะร่วมกันหลา ย, ลายฝ่ายเนี่ยนะครับอย่างที่ช่วยบอกกันซื้อทองเกือบหนึ่งล้านบาทนะ่ะติดนี่ยังยังไม่หมดเลยท้าที่า น, นเนี่ยงเป็นสีเหลืองเลงค่อยๆเป็นทองและจะหลุลลหดอะไรงดหนักในไหนทำแล้วก็ทตํตรงนี้เข้าไปด้วย ไ, ไม่ใช่เสร็จแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลัง ใครที่มารุ่นหลังอาจจะไม่รู้นะครับให้ข้อมูลไว้หน่อยคือโบนของเราเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเคยบุรณะปีสมงพัสามสิบห้าไม่นานเนี่ยนะครับความชื้นมันขึ้นหม่นลวดลายต่างๆในรุดมาเลยเรานั่งทำวัดกันเนี่ยรุดไม่ต้องพูดถึงผ้าขาวผืนดนะันไม่มีเลยนะ้วขาวเลยนะ อันนั้นเกิดเลือดในสมั ย, ยนั้นี่สมัยสงครามโลกลังคาพุ่งมันกระดอนขึ้นไปเพราะระเบิดที่ลงสะพานพุทธเนี่ยฝนมันก็ล้ า, างผ้าคนเลยเหลืออยู่ข้างหลังเราวาดหม้คนถ้าถามว่าเป็นผ้าอะไรนะครับข้างหลังเท่านั้นที่เหลือตามประวัติวัดวาดในสมัยในการที่สามนี่ข้างหลังเป็นปฐมประงสงมคม์ ข้างๆเนี่ยเป็นเรื่อนชาดกแต่มันไม่เหลือเนี่ยพรมก็เอาเรื่อนพระเจ้าสิทชาติเลยสายห้าชาด้านซ้ายสายผมสายวิวผมห้าพระชาติด้านขวาชาติเด่นที่สุดด้านนี้ก็คือมหาชาานกเหลือล่มอยู่ข้างบนโน้เด่นที่สุดด้านนี้ก็วัดเราเทิดมหาชาติก็พระเวสสัดรนะครับบุ๋มโน้น นอกกนั้นก็เขาก็จะทำอธิบายไหมครก็คือพระเจ้าสุกชาติส่วนตรงกันข้ามกับ พ, พุทธรูปองค์พระประธานพระประธานรงนี้เป็นมาลวิชัยเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธวัรมารวิชัยคือะจนมานใต้ต้นโบ ว, วันตรัสรู เพราะฉะนั้นเมื่อพุทธรูปเป็นมาวิชัยเราก็จะต้องวาดภาพตรงกันตรงด้านตรงพระพักของพุทธเจ้าพุทธรูปเนี่ยเป็นเหตุการณ์วันตัสรู้ที่ชนะมาซึ่งจิตรกรไทยก็จะมีแม่จีนนีมีห้ยผมมีพุทธลูกพุทธเจ้านั่งประทับนั่งได้โดโลแมนพระจบเมือ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างนียคือพุทธพุท ธ, ธรูปตรงนี้ เนี่ยครับ ม, มันจะมันจะมีคําสอนปรัชญาธรรมในสอดพร้องกันเราทำเพื่อการเผยแผ่สอนธรรมะพอเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับพอเสร็จแล้วมาใช้ให้คุ้มนะครับมาทําวัดสวดมนตมาลงปฏิโมกให้คุ้มถามว่าแล้วจะมีปัญหาเดิมก็คือความเชื่อจะขึ้นมา ให้มันยุ่ยไปหรือเปล่าเนี่ยคำตอบว่าไม่มีครับซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าทําไมวัดต่างๆที่ที่บุรณะที่ทําเรื่องเจตกรรมฝาผนังทุกวันนี้อยู่ทิศแม่นานเนี่ก็ยังบน่นว่าแก้ไม่ได้ภาพเสียหมดทํากันรุ่นเหมือนเราเดียวกับเราก็ยังบน่นแต่ที่นี่ไม่เป็นนะครับเพราะอะไรครับ ถ้าท่านไม่ได้สังเกตเลยตรงตรงคอพินอ่อนข้างล่างน่ขึ้นมาสักคืบนความสูงแค่นี้นะเขาตัดทั้งหลักเลยเหมือนเราตัดเต้าหู้ตัดออกหมดเลยนะความหนาของปูนที่เขาตัดเนี่ยทั้งเสาทั้งโบสถยประมาณนิ้วก้อยนยหมายถึงความกว้าง เขาตัดทีละครึ่งท่านอย่างเสาเนี่ยเขาเขาตัดไปครึ่งนึงแล้วเขาก็ฉีดคล้ายๆกับกาวซีเมนเนี่ยแปบ๊บเดียวมันแข็งเลยมันรับน้ําหนักแทนแล้วเขาก็ไปตัดอีกครึ่งหนึ่งในโบสเราก็ทําอย่างเงี้ยจนทั้งหลังเนี่ยมันมีซีเมนต์กาวเนี่ยเข้าไปแทรกน้ําไม่สาม า, ารถจะทะลุกันมาได้ฉะนั้นมันจึงไม่มีความชื้นเนี่ยอย่างที่ท่านเห็น นี่คือสิ่งที่เราโชคดีเรามามูรณะในยุคที่เทคโนโลยีมันมันทำได้ก็ทำอย่างเต็มที่ส่วนด้านหลังนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการวาดใหม่เป็นการซ่อมแซงภาพที่ที่โดนความชื้นทำลายท่านจะเห็นหนะเขาขา ขึ้นมาไล่จนต้องลบไปหมดเลยซ่อมข้างบนเสร็จแล้วโดยกลรมสิ่ประกอบทั้งหมดที่ทํามเนเป็นกรมสื่อประกอบก็เหลืออยู่ข้างล่างถามว่าไอ้ที่ข า, ขาวๆเนี่ยท่านสังเกตนะถ้าเป็นขอบหน้าต่างของประตูระวางแล้วภ้างหลังที่เป็นขอบหน้าต่างทํานี่ยทำครับแต่สีต้องมม่ๆแบบนั้นเนี่ย แล้วจะวาดภาพอะไรนี่ยังไม่รู้ครับนีเรียนถว า, าพยพระเสด็จไปด้วยนะครับฝ่ายกรมศิลป์เจ้าหน้าที่มาบอกมาถามผมว่าแล้วจะให้วาดภาพอะไรแล้วแล้วมันอะไรมันหายไปไรใครใครรู้บ้างเป็นพระพุก็จำได้ไหมไม่ได้ก็มันไม่มีใครรู้ผมก็เลยอันนี้ประกาศไปก่อนผมก็เลยสั่งทางกรมศิลป์ว่าให้ฝ่ายที่บูรณะซ่อมเสร็จ ทำรายละเอียดว่ามีภาพกวผมก็สงสัยเรื่องอะไรบ้างที่มีอยู่แล้ว<ม>ก็จะเพิ่มในส่วนที่ยังขาดหรือที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ใ, ใกล้ๆกันเนี่ยให้ลงมาข้างล่างด้วยครับก็รับปากว่าเดี๋ยวขอให้ให้ฝ่ายนู้นทำให้ใหผมอันนี้ในส่วนครับอุบลสนนะครับเราว่าตอนนี้เสร็จแล้วให้เรารับรู้ร่วมกันเพราะมันเป็นสมบัติร่วมกันอย่างที่ผมว่านะครับ เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะัส ม, ม เ, เดจอไปวิ่งชนชนให้พลาดเสียไป น, นั่นจริงเวลาฟังพระเทศลัพธ์ไม่ได้มันเป็นสมบัติส่วนรวมไม่ใช่ของเราคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่ให้เกิดความสำเร็จร่วมกันนะครับส่วนเรื่องของการบูรณะต่อไปนะครับท่านก็ต้องรับทราบเพราเกียวกับร่วมกันกันก็นกคือสาลาวตวัเพ็ญกุศลยูยูนะครับอีกสักระยะหนึ่ง ท่านจะขาดสลาไปสองหลังชุดที่ส่วนก็จะมีที่ลงน้อยวนไม่ครบก็คือสลากสี่สลากห้าเหตุจากเราซ่อมสลาการประเรียนเสร็จโบสถ์วิหารว่าเรานี่โบสถ์วิหารการประเรียนจะเรียนต่อแล้วเราซ่อมเสร็จสวยงามมากเจ้าภาพก็ไม่อยากจะน้อยหน้านะครับสลา4สี่สลาก้อยากจะทำให้สวยงามให้ล้ำกลับ สาราการบระเรียนรับกับพรวิหารโดยจะลดนเอสาลาโล่งๆด้านหน้าการสาราการบริเรียนที่เป็นชั้นเดียวที่เป็นสลด์เขาเลือด เ, เลือกให้หายเป็นหนึ่ง้องเลือดให้โชว์สาราการปรเรียนเขาก็จะยกรวมเลยนะครับสาราสี่สาราห้าเนี่ยทุบทิ้งหมดเลยแล้วสร้างเป็นหลังเดียวสระใหญ่ หลังเดียวเลยต่อเนื่องเป็นหลังเดียวต่อไปนี่ถ้าคล้ายๆกับคนยศเนี่นยนะเราขาดละลางใหญ่ๆมาใช้ตรงนี้เลยใครจะอาสาใช้ก่อนไหมครับรอให้เสร็จก่อนนะก็เนาะไม่สเลยควรรออีกผมหมายว่ามามากลกับดูแลดูแลว่าจะซ่อมกันยังไงใช้กันยังไง สร้างยังไงออกแบบเสร็จแล้วครับหรือต่อรองคาถาเท่านั้นเองฝ่ายออกแบบก็เอาตัวสวยเลยแล้วมันแพงเหมืที่เจ้าภาพเขาเจตนาไว้อันนี้ต่อรองกันอยู่แต่ว่ามีเจ้าภาพคนลวเจ้าภาพเดินเะท่านั้นคิดสร้างเดิมลูกหลานก็มาทําอันนี้เราก็จะทําเนี่ยอีกไม่นาน น, นะครับก็จะตรงนั้นก็จะหายไปส่วนอื่นๆนะครับ พอเราบูรณะเสร็จสุดท้ายครับปีนี้ตั้งเป้าว่าจะฉลองใหญ่วัดเราครบอายุครบร้อยเก้าสิบปีสร้างสองพันสามร้อยเจ็ดอ่อเจ็ดสิบเอ็ดปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดไปถึงเจ็สิบเอ็ดเนี่ย ถ้าถึง 2,571 นี่วัดประยูร200ปีอยู่ฉลองนะครับที่ผมเคยพูดอะขยันหายใจเข้าไว้ฉลองใหญ่200ปีแต่ปีนี้190ปี190ปีเนี่ยฉลองใหญ่ตอนเดือนมกราวันที่13ทําไปรอบหนึ่ อีกรอบนึ่งที่เรากำลังเตรียมการอยู่พวกท่านอาจจะไม่ทราบเราจะฉลองพร้อมกับอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่เนี่ยสริพักดีธรรมเนี่ยที่มีสอทอเนี่ยทางบริษัทไทยเว็บบริจกัดคุ้มฐามะนะให้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพพระ ร, ราชสุดาสยามปรมลราชมมรีองค์ผู้ประธานชื่อชื่ออาคาร น, นะครับสริพักดธรรมในทรง พระราชทานมาและกับพระราชทานสวทอเป็นสัญลักษณ์ก็จะทําเรื่องพูนเชิญมาเปิดอาคารในทางวัดเราก็บอกว่าเมื่อเปิดอาคารก็ถือว่าเปิดนานฉลองร้อยก้าสิบปีด้วยในการเตรียมการเนี่ยเพื่อฉลองร้อยเก้าสิบปีทางวัดได้เอ็นหนังสือเล่นใหญ่เลยครับใช้อมรินปริ้นติ้ง เหมือนตอนร้อยแปดสิบมีภาพมีอะไรประกอบงดงานมากอัลบินพรนติ้งเขาเขาพิถีไปถัเรื่องนี้ตอนแรกก็จะทำเล่มเดียวครับไม่พอเอาเรื่อง180นะร้อยร้อยแปดสิบปีเนี่ยไว้เล่มหนึ่งแล้วก็จากร้อยแดสิบมาถึงร้อยก้าสิอีกเล่มหนึ่งรวมถึงอาคารใหม่ฝ่าย เตรียมต้นเช่าเยอะเลยแต่แต่ผมยังติดใจยอยู่นะครับทําแต่มีภาพนะครับโบราณนั้นโบสถ์วิหารการประเรียนพระเจดีเอามอเนี่ยมีหมือแต่ผมอยากจะว่าในรูปในช่วงสิบปีเนี่ยตั้งแต่สองพันห้าร้ยห้าสิบที่เราฉลองร้อยแปดสิบปีมาจะถึงสองพันหร้ยสิเอ็ห้า้อยสบีอยบด เราบูรณะปฏิสังขรณ์คณะต่างๆที่ท่านอยู่กันที่ทําเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยกันไปหลายปฏิหลายแห่งเนี่ยอยากจะให้คารูเป็นประวัติยุคเช่นปฏิมุตนาอย่างนาีง้แต่อยากให้มีภาพก่อนก่อนบูรณะกับหลังบูรณะทําอะไรให้มันดีขึ้นอย่างไรอยากจะให้ได้ภาพเหล่านี้เหลนบบน่นี้คณะส่าเก็บภาพไว้ไหมเอออย่ามั่วนนะเอาเอาที่ทําจริงเนี่ยแล้วก็เอามาลงหนังสือ มันก็ไม่ใช่จะได้แต่ด้านได้เองเดียวผมอยากจะฝากไปด้วยตรงนี้คือเราเราตกลงกับฝ่ายที่จะทําที่เป็นส่วนกลางหรือที่ไหนกันละโครนาคณะแปะก็ลมได้ครับเสร็จไปบ้านสักเสร็จไปบ้างแล้วก็เสร็จแล้วนะไม่รู้เท็นเบิกัเงินเบิกเงินท่าจะเสร็จแล้วไหมปวดร้าดกับท่านเสร็จอไา้ยังคณะสิบคณะสิบคณะสิบไอ้นั่นอ่ะซ่อมอย่างยั่งยืน ม, มันจะได้มาลงลงหนังสือใช่ไหมให้มันเสร็จจนช่นชวงอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้มาทํ า, าร่วมกันนะครับผมตอนนี้หนังสือมันเขาทําร่างมาแล้วเดี๋ยวผมจะลิตั้งคณะกรรมการนะครับกรรมการแล้วก็มาช่วยกันดูในช่วงสุดท้ายที่จะถาส่วนไอ้เรื่องที่เป็นข้อมูลเก่าที่180ปี เ, 180นเนี่ยเขาทำมาแล้วแต่ร้อยร้อยอยเก้าสที่เมว่าเนี่ย เราจะให้คณะกรรมการนี้มาดูแลแล้วก็ส่วนงานจากเมื่อไหร่นั้นก็ร อ, เ, อเรียวกว่าตอบรับเสด็จเมื่อไหร่เสด็จพระ เ, เทพ น, นะครับก็ถือเป็นร้อยเก้าสิปีซึ่งเป็นงานใหญ่ถึงตอนนั้นท่านทุกรูปจะต้องมาร่บออกมาช่วยกันใครอยู่แนลงไหนฝ่ายไหนก็ต้องมาทนะําะถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของวัดเรานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่บอกโลกหน้ากันว่าเรา จะทำอะไรต่อไปหรืออะไรที่ทำมาแล้วก็ขอเรียนต่อที่ประชุมเพียงเานี้ครับ